ต่อ น, นี้ไปพวกเราจะได้ฟังหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสโมโภตธนิยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาวันนี้หลวงพ่อเองจะพูดหรือจะกล่าวเกี่ยวกับพุทธประวัติเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้ปรินญิพาน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 ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งซะก่อนจากนั้นก็นำจิตมันผ่านความสงบความนิ่งแล้วนั้นนำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังอันนี้ก็เกิดปัญญาละเอียดขึ้นไปอีกเรียกว่าภาวนามายปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นพื้นฐานซะก่อน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 อ่านพระไตรปิฎกอย่างนี้บางทีก็ไม่เข้าใจในศัพท์หรือคําพูดเพราะคําพูดในพระไตรปิฎกคล้ายคล้ายกับคําพูดของกฎหมายคําพูดพระไตรปิฎกเป็นคําพูดที่เป็นคําพูดโบราณหรือเป็นคําพูดเป็นสัพท์ภาษาบาลีถ้าพวกเราอ่านไปแล้วไม่เข้าใจไม่กี่ศัพท์พวกเราก็ยอมแพ้แล้ว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 เป็นบางประโยคหลวงพ่อก็จะได้นํามาพูดมากล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมาย 84% ดหมี่พันพระธรรมมขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองเกี่ยวกับกฎและเบียกบก็บคือวิเัยพระสูตรก็คือเรื่องราวความเป็นมาและความเป็นไปอย่างไรแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละองค์แต่ละพระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาความเป็นมาของแต่ละท่านละคนอันนี้คือเป็นเรื่องราวนะวะ่าพระสุส่วนพระประมาตธรรมท่านพูดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจจิตใจนึกคิดเรื่องอยังไงจิตใจของเราปารุงยังไงใจของเรามีความเห็นเป็นปรกรใดอันนี้คือว่าให้มีสติดูจิตดูใจ อันนี้เรียกว่าประมาถ ธ, ธรรมดูเรื่องความเคลื่อนไหวของใจใจนึกคิดอย่างไรอันนี้เรียกว่าประมาถ ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นพระไตรแปลว่าสามปิดกไตรปิดกปิดกแปลว่าตักกาหรือว่าเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้ศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่ คำว่าบริษัทคำนี้ก็คือเหมือนกับบริษัทห้างร้านต้องมีผู้จัดการต้องมีรองผู้จัดการต้องมีลูกค้าต้องมีบริวารในบริษัทนั้นๆนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้ารองผู้จัดการก็คือโมกขราสารีบุตรจากนั้นก็พระอานนุ์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 ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลที่ท่านตรัสออกมาตรัสออกมาด้วยพระปัญญาปีชาสามารถของพระองค์จริงๆเมื่อตรัสออกมาแล้วเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วหาผู้แย้งหาผู้ที่คัดค้านไดอยากถ้าคัดค้านก็คัดค้านแบบข้างข้างคูคูไปอย่างนั้นนะแต่จะออกมาให้ชัดจริงถามให้ชัดจริงก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ การเรื่องทานกับเรื่องสินก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีสินอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นที่ระแวงแคลงใจกันจะหาความร่มเย็นเป็นจุขไม่ได้ในคนที่ไม่มีสินถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างมีสินไปนสถานที่ใดกกไว้เนื้อเชื่อใจกันทุกหัวและแห่งแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีศินมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบ หรือว่ามีแต่จ้องที่จะทำร้ายทาลายกันพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันไปนสถานที่ใดก็มีแต่ความหวาดระวังเรื่องคนของคนอื่นจะหาความสุขสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องศีลและธรรมของพระพุทธเจา้าถ้าเรานำมาวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผลแล้วมีแต่หลักเหตุผลอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่นะั้นท่านมาพูดถึงสมาธิและปัญญา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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนั่นแหละจากนั้นจิตหรือใจหรือปะทายขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละวิธีการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติดีแล้วฝึกสติไม่อยู่ไ ม, ไม่วันไว้ไกวแข่งแล้วใจของเราอยู่กับเป็นที่แล้วอยู่นิ่งแล้วจิตใจจะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจรวมสงบ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 ต่เมื่อจิตพักผ่อนมีกำลังแล้วก็ถอนขึ้นมาแต่บางท่านบางคนพอสงบแล้วก็อยากสงบอีกพักผ่อนแล้วก็อยากจะพักผ่อนอีกเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์เมือ่อตะกอนก็ไม่รู้ว่าห้องแอร์เย็นยังไงพอรู้ว่าแหละห้องแอร์เย็นพอเข้าไปในห้องแอร์พักสบายพอออกจากห้องแอร์แล้วยากจะขับเข้าไปห้องแอร์อีกขี้เกียจทางาน ขี้เกียจที่จะทำอย่างอื่นเพราะมันการทำงานมันเป็นเรื่องที่ลำบากทกยากลำบากทั้งหนักน้าด้วยทั้งทรมานกายด้วยที่เราทำงานเหมือนเราทำงานนั่นแหละเรารู้ว่าการทำงานกับการอยู่ในห้องแอร์หรือว่าการอยู่พักผ่อนนั้นอันไหนสบายกว่ากันจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งจิตรวมนั้น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 นี่ยแะคือการออกทำงานการพักผ่อนนะัคือสมาธิ เ, าเรียกว่าอกเรียกว่าสมถะสมถะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งส่วนวิปัสสนานั้นนํามาคิดนํามากันกรองไตรตรองเหตุและผลพระพทุทธเจ้าท่านให้กันกรองไตรตรองเรื่องอะไรพระองค์บอกว่าที่เห็นข้างนอกที่เห็นชัดเจนก็คือ กรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าให้กาหนดหรือให้พิจารณากรรมฐานห้าท่านให้มาตั้งแต่เมื่อเป็นสัมมเนนท่านก็ให้กรรมฐานห้าบวชเป็นพระท่านก็ให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้าเนี่ยคืออะไรเกศาผมโลมาขนนาคาเลบทันตาฟันตะโจหนังเรออียกวกรรมฐานห้าไม่หนีจากกรรมฐานห้าเนี่ยให้เห็น ให้ใช้วิปัจจนาหรือว่าเดินมักงเ่ะว่าจิตสงบนั้นคือสมถะหรือสมาธิแต่บัดนี้เมื่อจิตผ่านสมาธิผ่านความสงบแล้วให้เดินวิปัจจนาให้คิดกันกรองไตรตรองหาเหตุและผลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันอยู่ในสถานะไหน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 ใจใจจิตของเราด้วยใจของเราผู้รู้ของเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละอันกันแต่อาศัยกันอยูเอ่เมื่อเรารู้แล้วอย่างนั้นเราก็ น, นําใจนั่นะตัวผู้รู้น่ะมาพิจารณาร่างกายร่างกายนี้จะเป็นอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ เ, เดี๋ยวก็ตัวไหนมันขาด ก็เพิ่มอาหารเข้าไปเพิ่มลมเข้าไปเพิ่มดินน้ำลมไฟเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกับเรารักษาต้นไม้อย่างนั้นน่เราก็ต้องมีน้ํามีปุ๋ยแล้วก็จะให้อากาศคุมจนเกินไปแล้วก็จะให้แดดเปี้ยงจนเกินไปจะรักษายัางไงต้นไม้ต้นนั้นจึงจ ะ, จะเจริญงอกเกยขึ้นมาได้ นี่ก็เหมือนกันใจของเราที่เป็นเจ้าของมองดูร่างกายมันร้อนหรือมันหนาวมันหิวมันกระหายอย่างไรร่างกายนั้นก็จะต้องหาเครื่องเข้ามาปนปื้อร่างกายของเราแต่บางคนก็ปนปื้อจนเกินไปจนหลงในร่างกายว่าเป็นของตัวของตัวเองแท้แต่ทารมที่จริงถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า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 นี่แหละของพุทธศาสนาเนี่ยพูดไปยังไงก็ไม่พ้นไปถึกใจจะพูดไปยังไงก็พูดไปเหมือนกับเราพูดถึงกิ่งถึงง่าถึงกิ่งก้านสาขาของมันเนะ่พูดไปก็พูดไปบรรยายไปอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงต้นไม้ตัวนี้คือสำคัญของมันก็คือรากแก้วนี่แหละรากแก้วของมันสำคัญถ้ารากแก้วมันยังลึกอยู่ต้นไม้นั้นก็ยังอยู่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 แต่อีกสักวันหนึ่งที่จะรักษาให้ดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่นก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ใช่ของเราพระพรพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกกล่าวอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์นำมาพิจารณามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเมื่อเรากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว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 เพราะนั้นเรื่องสมาธิเราจะไปมองข้ามไม่ได้ก่อนที่จะเป็นสมาธินั้นเราทําอย่างไรต้องฝึกท่นี่ต้องฝึกให้เป็นสมาธิการฝึกที่ทําให้จิตเป็นสมาธินั่นคืออะไรเวลาเรานั่งยุทธนสถานที่ใดเราเดินยุทธนัถ า, ถานที่ใดถ้าเรานั่งร่างกายของเราไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้จะจับตรงไหนไมีแต่รู้อยู่อย่างนั้นรู้ไปรู้มาเดี๋ยวก็นอนหลับได้มันเผลอไป เพราะมันร่างกายไม่ได้ขยับในขณะที่เรานั่งมีตะลมหายใจเข้าออก เ, อเข้าออกฟอดแฝดฟอดแฝดคือมันเคลื่อนไหวอยู่คือลมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโถคําบริกรรมคํานี้เราจะไปถือว่ให้คําสําคัญเพียงแต่ว่าให้สติของเราอยู่กับกรรมฐานอนะันใดตัวนั้นสําคัญกว่า ส่วนบริกรรมนั้นเราจะหายใจเข้าพทุทโธหายใจออกพทุทโธหายใจเข้าธรรมโมหายใจออกธรมโมหายใจเข้าสังโคหายใจออกสังโคก็ได้เนี่ยเลจะหายใจเข้าพทุทโธหายใจออกธรรมโมก็ได้ก็ะสุดแท้แต่พวกเราจะตั้งสติกำหนดอย่างไรแต่ว่าข้อสำคัญเรื่องสติเราจะกำหนดอะไรต้องมีสติ สติอยู่ที่ตรงที่นั่นที่เรากำหนดตัวนั้นอย่าให้พลังเผออยอจะาไปให้หลุดไปในขณะที่บริกรรมให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากำหนดกำหนดลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่แหละในเมื่อเรามีสติอยู่อย่างนั้นเมื่อมีสติดีแล้วใจของเราก็จะรวมสงบล้วทีน แต่ว่าก็จะสงบได้นะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพูดนะมันพูดง่ายอยู่แต่ว่าเมื่อเรานั่งเข้าไปนักภาวนาทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตนเองพอนั่งเข้าไปได้ก็ ว, วับได้ก็ ว, วับออกทางโน้นออกทาง น, น, ออางนี้ถึงจะออกไปทางไหนก็เถอะมันจะปรุงไปทางไหนเราก็นาที่มันปรุงกลับมาหากรรมฐานเก่าอีกถ้ามันไปทางไหนเรากดดึง กับมาหากรรมฐานเ้าอีกมาอยู่กับกรรมฐานพุทโธอย่างที่ว่าถ้าเราบริกรรมว่าพุทโธแล้วไม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรืรอว่าเราบริกรรมว่หายใจเข้าพทุทโธหายใจออกพุทโธเนี่ยเออก็ให้มันอยู่กับกรรมฐานเนี่ยที่เราได้ตั้งเอาไว้อันนี้ก็คือการฝึกสติเบื้องต้นแต่ในเวลาเราเดินมันก็การก้าวขาเดินมันมีการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างที่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 ในขณะที่เราเดินจากนั้นก็ขาขวาพุทขาซ้ายโถพุโทโถพุโทพโถพนทธโถเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเวลาเราจะหมุนกลับแต่แต่เป็นไปได้ก่อนนะพระทักศิณเวียนขวาเวลาเวียนขวาแล้วเราก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถพุโทโถพุโทโถมาถึงสุดที่สุดทางจงกรมอีกเวียนขวาอีกแล้ะก็ ขาขวาพดขาซ้ายโทอีกเนี่ยอันนี้แหละคือการฝึกสติเราฝึกต่อไร้ครั่งต่อหลายหนสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดสติไม่หลงไม่เผลอไปที่ไหนจากนั้นใจของเราก่อนมันจะรวมรวมรวมรวมเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆจนรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้แต่ว่าการที่จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นั้นจะใช้เวลานา น, านเท่าไหร่ อันนี้กรสุดแท้แต่ความตั้งใจของเราหรือความพยายามของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ภาวนาพุทโธพุทโธสองสามคำก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่บางทีก็หายไปจนเม็ดไปเลยจนระลึกไม่ได้ก็มีก่อนจะนอนเราทําอะไรนะวะเรานั่งภาวนาฮะในที่ไหนได้นั่งคิดไปทางไหนก็ไม่รู้ใจของเราส่งไปทางไหนก็ไม่ฟูไอ้จนจะนอนวะแหละจึงรู้ได้ว่าเรานั่งภาวนาแลนะ้วเนี่ย ในแหละเพราะว่าสติมันขาดเพราะนั้นขณะที่นั่งเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งเอีอ่ยเาบอกบังคับเลยแหละไม่ใช่ปล่อยให้ตามลําพังนะไม่ใช่ดูไปเรืเอ่อยเออแล้เฮยไปเรื่อยไม่ใช่เราต้องบังคับ อ, อบังคับให้มันทํางาน เ, เหมือนกับเด็กลูกหลานของเราใครจะสมัครไปเรียนหนังสือน้อยมากนะ ที่จะสมัครใจไปเรียนหนังสือโดยมากกับติดพ่อติดแม่งองแงแต่เราผู้เป็นผู้ใหญ่เห็นว่าการเรียนหนังสือมีประโยชน์เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะได้ใช้วิชาในการเรียนของเขาเราต้องบังคับเพราะเราเห็นคุณค่านี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่เราจะให้มันชอบใจในการนั่งสมาธิเฉลยก็เป็นไปไม่ได้ยากมากเพราะกิเลสมันไม่ชอบ แต่เราก็พยายามทาพยายามตรอมจิตพยายามบังคับจิตใจของเราให้อยู่เป็นหนึ่งในเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งจิตใจเย็นสบายจิตใจมีความสุขนั่นแหละทีนี้เราเห็นคุณค่าแล้วเมื่อเห็นคุณค่าแล้วมันขยันเองทีนี้เพราะมันติดถ้าไม่ได้นั่งภาวนานเหมือนกับมันขาดทีนี้เออมันขาด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 สถานที่สงบสงัดถ้าว่ามันอยู่ในบ้านฝึกได้กันนี่แหละครูบาอาจารย์ก็คงจะไม่แบกกรดตะไายบาทเข้าไปสู่ป่ารงพงไพ่แต่ท่านก็คงจะไปอยู่ชุมชนหนาแน่นที่ไหนท่านก็จะไปปักกรดนั่งภาวนาอยู่แถวนั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ตรงไหนที่สงบสงัดป่าช้าบ้างถ้ำบ้างที่ป่ารงพงไพ่ที่ลกชัดที่หลีกเล่นหาความสงบ ท่านจะเป็นนั่งภาวนาอยู่เช่นนั้นอย่างไปอยู่ป่าช้าอีกต่างหากไปอยู่ในที่โกงกลัวอีกต่างหากเพราะใจเมื่อไปอยู่ในที่กลัวแลยใจจะไม่ส่งนอกใจจะไม่ส่งทะเลถลายไปทางอื่นจิตอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวนะไอ้มันกลัวผีมันกลัวสิ่งอะไรก็ไหม่รู้แล้วมันกลัวเพราะมันกลัวสติอยู่กับตัวเองแต่ไหนภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อคือยู่กับตนเองได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะข้ า, าศรัทธาญาติโยม เรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะไม่ใช่เรื่องของพระนะพระก็คือหน้าที่ของพระก็คือท่านต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางพ้นทุกข์แต่พวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่เหรอใครๆก็ต้องการความสุขนะทุกใจใครต้องการบ้างพอคิดมากๆปรุงมากๆปวดหัวอีกต่างหากเผลอๆนอนไปหลับตาแข็งอีกจะเป็นประสาทเข้ามาได้ง่าย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 ยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ประสูตรตักรุปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้จัสรุในวันนี้จนะวนสว่างท่านได้จัดรุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ได้ประกาศเผยแผรธรรมะสู่มวลชนสู่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อ 2,555 ปีนับที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะ ได้ 2,555 ปีแต่ถ้าวันนับวันที่พระพุทธเจ้าตัดจรู้อายุ36ปีอายุพระพุทธเจ้า36ปีท่านได้ตัดจรู้อันนั้นเลยวานับมาถึงวันนี้เป็นว่าพุทธสยันตีอายุ 2,600 ปีพอดีเขานับว่าเขาคำนวณออกมาแล้ว 2,600 ปีพอดีนับวันที่พระพุทธเจ้าตัดจรู้ แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อายุ36ปีแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานอายุ80ปีนับจากอายุท่านวันปรินิพานของพระพุทธเจ้า 2,555 ปีแต่ถ้านับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่วันเดือนหเป็นวันแรกนับปีนี้เลย 2,600 ปีพอดีฮะ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 ในวัดของเราถนนเราหากิ่งไม้ไปไว้คนละส้นอยู่ละข้างจากนั้นกะจุดเทียนเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่ในทางเดินของเรามีเยอะแยะไปยาวเจียดเลยถนนเพราะนั้นทางเดินจงกรมของเราจะไปเดินอยู่ที่เก่าการนั่งภาวนาก็เหมือนกันอยากไปนั่งอยู่ในห้องจนเกินไปก็ทาให้อุดอู้ทำให้ง่วงได้ง่าย เราต้องนั่งอากาศที่โปร่ปงเราต้องหาช่องหาทางหาทางนั่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าพวกเราพยายามหาทางออกอย่างนั้นแล้วอีกสักวันใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบเยือกเย็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นัทธิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี พวกเราเห็นแต่ความปุ่งฟุ้งของจิตของใจมีแต่ความทุกข์ถ้าปุ่งฟุ้งมากๆมันทุกข์นะคนคิดมากๆมันทุกข์นะแต่ว่าจิตสงบจิตนิ่งพวกเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแต่พวกเราทำเอาอย่างจริงจังและพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้วเรื่องจิตใจสงบจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งเนี่ยท่านผ่านมาแล้วท่านพูดท่านยืนยันได้ เพราะนั้นพวกเราที่ยังไม่เคยจิตยังไม่เคยสงบจิตไม่เคยนิ่งก็พ ย, ยายามนะถ้าพวกเราได้ริมรถพระธรรมสมาธิธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วพวกเราจะฝังลึกเชื่อมั่นในธรรมำคำสอนของพระพุทธเจา้าถอนไม่ขึ้นเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจยังไม่สงบนะ บอกเราจะต้องเขาพูดอะไรกันวันไว้ไงวาแคว่วงไปเรื่อยเชื่อบังไม่เชื่อเบื้องเชื่อบังไม่เชื่อบังเนีผลนิสูก็เลยถอนตัวได้ไง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ริ้มรถสมาธิธรรมันไม่ได้ริมรถของพระธรรมคําคสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพหลวงพ่อได้กล่าวสมมติในยกักถาก็าเห็นว่าสมควรกับการเวลา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 เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิชั่วระยะหนึ่งพวกเราจึงค่อยแยกย้ายกันกลับนะนั่งสมาธิก่อนอได้ฝึกดูซะก่อนว่าสมาธิเป็นยังไงถ้าเราไม่นั่งเราก็จะไม่รู้วิธีการนั่งนั่งยังไงในที่หลวงพ่อพูดพวกเรามองดูพระประธานเดี๋ยวนี้แหละพระประธานท่านนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นล่ะนะขาขวาทับขาซ้ายเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดพูดให้บริกรรมพุทโธพุทโธนาะ เรียกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หายใจเข้าพุทธหาใจพุทโทรหายใจพุทโทรหายใจเข้าพุทพโทรหายใจออกพุทโทก็ได้ทำโมก็ได้สังโคก็ได้ให้บริกรรมตามที่ถนัดของเรานะ